พรจริญพรญาติโยมสาธุชนขอรับคุณเจ้าดา้วยนะครับพเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านปกติการบรรยายทั่ ว, วไปเราก็จะพูดถึงเรื่องของความสุขเรื่องการมีชีวิตที่ดีงาม ประสบความสุขความเจริญแต่ว่าการบรรยายวันนี้ไม่เหมือนการบรรยายทั่วไปเร า, าพูดเรื่องความตายที่จริงคนเราเนี่ยเราจะคิดถึงเรื่องแต่การอยู่ดีอย่างเดียวี่ไม่พอนะทุกวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ ก็จะคิดดูในใจอยู่เสมอว่าเราจะมีชีวิตอย่างไรเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไรเราจะมีความสุขได้อย่างไรชีวิตที่ปรารถนาเราก็ฝันว่าจะมีอย่างนั้นอย่างนี้เช่นมีอาชีพการงานที่มั่นคงมีสุขภาพดี มีผู้ครองที่ดีมีการงานดีอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มุ่งมาปรารถนาแล้วก็ผุ้มเทเวลาและความเพียรพยายามเพื่อจะให้ได้มาสุ่งชีวิตที่ดีนา ชีวิตที่มีความสุขชีวที่มั่นคงถ้าเราดูโฆษณาทางโทรทัศน์หรือว่าทางโซเชียลมเดียเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรื่องที่ทั้งนั้นแหละว่าเราจะมีชีวิตทีด่ดีงามมีชีวิที่ผาสุมีชีวิตทีส่สำเร็จได้อย่างไรซึ่งเรียกรว ม, มว่าการอยู่ดี แต่ถ้าเรานึกแต่เพียงแค่นี้มันไม่พอนะเราต้องนึงเรื่องการก็คือเรื่องการตายดีด้วยเพราะว่าชีวิตกับความตายเป็นของคู่กันไม่มีใครที่อยู่เพื่อใตายเราคิดถึงเรื่องแต่เรื่องการอยู่ดีแต่เราไม่เรืงเรื่องการตายดีเนี่ยก็ถือว่าประมาท เป็นการคิดที่ไม่ครบค้วนมนเหมือนกับว่าในใจเราดึกแต่เพียงว่าเหรียญเนี่ยมันมีด้านเดียวจะไม่มีเหรียญไหนนะที่มีมด้านเดียวนะครับเหรียญทุกเหรียญมีสอง ด, าด้านหัวของก้อยมีหัวก็ต้มีก้อยสีก็เหมือนกันนะ เมื่อมีชีวิตก็มีความตายที่ถึงเรื่องถึงเรื่องการอยู่ดียังไม่พอต้อ ง, งเรื่องการตายดีด้วยคำถามคือว่าทุกวันที่เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมแค่ไหนเรื่องการตายดีบางเวลาจะบอกว่า ยังไม่ใช่เวลาเพราะว่ายัางเป็นยังสาวแต่เราแน่ใจได้อห่างไรว่าเราจะอยู่ไปจนแก่นะครับความตายเนี่ยสามารถจะมาคว้าชีวิตเราไปได้เพื่ออะไ มันมีภาษิที่เบก น, นะพูดเอาไว้ว่าไม่มีใครรู้หรอกระหว า, างชาตินี้กับพวกนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่ อ, าอนคนส่นวนใหญ่ที่เราดพวกนี้แล้วก็มีชาตหน้าแต่ว่าจะรำไรคนในโลกนี้วันนี้คือวันสุดท้ายคนาะวันนี้ไป ก็คือชาติหน้าเลยไม่มีพรุ่นี้นะในโลกนี้มีคนประมาณแสนห้ามืคนนะวันนี้นะคือวันสุดท้ายของเขาสำหรับกลุ่ม น, นี้เนี่ยไม่มีพรุ่นี้โคตรจะวันนี้ไปชาติหน้าเลยแล้วเราก็รู้เลยว่าเราเนี่ยอัตมาด้วยนะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของล่า ไม่มีใครรู้มีใครตอบได้แล้วเดี๋ยวนี้นําความตามก็ามาถึงตัวเราเร็วเรเกิดนะอย่างเมื่อสิบวันที่แล้วเนี่ยกำลังดูฟุตบอลดีๆที่ปารีสกําลังูละครนะกำลังเพลินเพลินอยู่ดีๆนะตายซะและ้วนะโดนระเบิดตายกําลังกินอาหารอยู่ สัมสานกับเพื่อนฝูงในร้านกาแฟตอนจริงเย็นอากาศกันดีไม่รอ้อนไม่หนาวตาใช่ไหมและนี่เมื่อสามวันก่อนกำลังพักอยู่ในโรงแรมทีิเทศม า, าลีเนี่ยพูดกว่าเจอผู้กอาาอการร้ายผมเข้าไปดูตาแต่ถึงไม่เป็นผู้กออการร้ายก็จต็มไปด้วอย่างอื่นเช่นโหัวใจวายมีบัดติเหตุ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดว่าฉันยังถึงยังสาวยังไม่แก่ยังไม่ต้องคิดก็ได้เรื่องตายดีมันเอาไว้ก่อนแก่แล้วค่อยคิดนะมันก็ประบาทนะแตะที่จริงคนแก่หลายคนนะก็ไม่เห็นดึงด้วยซ้านะว่าตายดีเนี่ยคิดไม่รอบยางเนะตรียมตัวเรื่องตายดีรออยางคิดแต่ว่า อยากจะอยู่ไปนานๆแม้แก่แล้วเนี่ยก็ยังยังไม่ได้เตรียมอันนี้ก็เรื่อเป็นความประมาทอยอีการตายเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยรู้สึกเป็นเรื่องน่ากลัวไม่อยากคิดถ้าพูดถึงก็ เรียว่าเป็นอภรรยาของคนนะใจที่จริงตายดีที่ตายได้นะทําได้นะรวมทั้งตายอยู่สงบด้วยหนะัวข้อวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะแปลกใจว่าได้ตายแลมม้วสงบได้ยืยู่มีแต่นั่งสมาธิแล้วสงบนะแล้วตายเนี่ยสงบได้ยดหยุ่นะทำได้นะ และการตายสงบนี่ก็ถือเป็นการตายดีอย่างหนึ่งถามว่าตายดีเนี่ยแต่และคนก็เข้าใจไม่เหมือนกันถา ม, า, า, ออมามว่าตายดีคืออะไรบางก็บอกว่าตายแบบไม่เจ็บไม่ปวดหลับตายไปเล ย, เลยอย่างนี้เรียกว่าตายดี ตายโดยที่ไม่มีความเจ็บความโปวดตายโดยเอาเยอะพวกสองตายแบบสดสวยเรียกตายดีอีกคนหน่็ว่าตายดีก็หมายถึงว่าตายท่างกลางญาติพี่น้องตายท้างการคนละตายในบ้านตายท้างกลางธรรมชาติตายแบบที่ไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานลูกหลานโกลเกลียว ืูข้านเตียงขณะทีたた่กำลังตายหรือว่าตายแต่มีคุณค่างีประโยชน์เช่นเหมาะสมให้เป็นอาจารย์ใหญ่หรือว่าเมาอวิญญาเป็นประโยชน์ปวดใจหรือว่าตาอันนี้ก็เป็นอีกความหมายหนึงนของเขาว่าตาย แต่ถ้าถาพุทธศาสนามองว่าอย่างไรพุทศาสนามองว่าตายดีเนี่ยจะตายแบบไหนก็ได้ด้วยสาเหตุใดก็ได้อุบัติเหตุก็ไ ด, ตตได้ตายบนท้องถนนก็ยังได้เลยแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าจิตสงบไม่ทุรนทุรายก่อนตาย ตายคนเดียวก็ได้นะไม่มีใครรับรู้หรือว่างใจจะตายบนเครื่องิที่กำลังเดินลงมาสู่พื้นดินก็สามารถจะตายดีได้นะในนิยามพุทธศาสนาถ้าหากว่าตอนที่กำลังจะตายจิตสมตุ ไม่ทุรนทุรายไม่มีความโงงอ า, าอะไรไม่มีความอาวรณตายสงบอันเนี้ยนะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการตายดีเพื่อศาสนาหลายคนท่องสซกโอกถ้าตายแบบอุบติเหตุหรือว่าตายแบบ มีความทุกขเวทมีทุกขเวทนาความเจ็บความปวดนี้จะตายดีได้อย่างไรได้นะได้ในสาพุตการเนี่ยนะ ม, มีมืมเหสีของพระเจ้าอุทเทนะชื่อนาสาวาวดีเมืองโกสังพี ใครที่เรียนเรื่องพุทธประวัติก็วจ้าโกสัมพีนี้มีความสำคัญต่ อ, อเหตุการณ์ในพุทธศาสนาอย่างไรบ้างแต่ชาวานาส า, าวาติเนี่ยโดนไฟคลอกตายเป็นคนดีนำพาย พ, พระเจ้าอุทเทนเนี่ยอันมาสนใจทำมาแต่ว่ามีคนอิจฉานาง ม, มาคัทิยาอิจฉาก็ไปรอให้นาง นางสาดีไปอยู่ในเรือนที่เจบผ้าแล้วก็หลอกแล้วก็ลอกเอาไว้จุดจุดไฟเผานางสาวดีโดนไฟคลอกตายเมื่อพระเจ้าทราบข่าวพระเจ้าก็ตรัสว่านางสาวดีเนี่ยตายดีไมใช่ว่า ก, การตายของนางเนี่ยไม่สูงเปล่าเป็นการตายที่มีประโยชน์ เราะว่าทาสมาวดีเนี่ยที่เราถูกไฟอกเนคก็เรียกว่าเจรินกับระธานเอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาเวทนาเป็นอารมณ์แลว่าพิจารณาความเกิดความปวดแทนที่จะเป็นผูป้ปวดก็เห็นความปวด่านก็เลยบรรลุธรรม ท, ทันสูงเป็นพระอันนี่ยุกคนในระดับที่สูงขึ้นไป คือเดิมทีก็เป็นเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วเอาเป็นเช่นเนี่ยกเราพูดเลือกได้ว่าเราจะตายดีแบบไหนตายดีแบบคนทั่วไปหรือว่าตายดีในทางพุทธศาสนาเลือกในที่นี้เนี่ยมันถึงเรื่องในใจนะแต่ว่าพอตายจริงๆเนี่ยเราเลือกไม่ได้หรอกนะว่าจะตาย ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรด้วยเหตุใดแต่ขอให้เราเชื่อนะว่าการตายของเนี่ยเป็นไปได้การตายไม่ได้หมายถึงความทุกข์ทรมานเท่านั้นแม้ว่าความตายจะมีความเป็บความโปวด เกิดขึ้นหรือว่าความที่ไม่สบายกายเพียงแค่าหายใจไม่ค่อยออกมันก็ล้วก็มันก็ทุกข์แล้วล่ะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ที่ทำได้ตอนนี้ก็จะพูดให้ให้ชัดเจนมากขึ้นนะตายดีในพุทธศาสนาเนี่ยประการแรกถือว่า ตายโดยที่ไม่ทุรนทุรายตายอย่งมีสติไม่หลงตายนะคําวม่าหลงตายเนี่ยก็คือไม่ีสติแล้วเป็นทำ ร, รา้ายก่อนตายไม่ทุรนุรายแล้วเมื่อตายแล้วเนี่ยก็ไปสุขติไปสุขติอันนี้เราไปดีคําว่าสุขติก็คือว่าไปดีนะ อาตมาช่วยเราพวกเราทุกคนเนี่ยเมื่อถ้าวันนีถึงความตายเนี่ก็อยากจะตายดีแล้วก็อยากจะไปสงบการตายสงบเนี่ยเป็นไปได้อาตมาได้ฟังเรื่องราวได้อา่านเรื่องราวของแม่ชีคนหนึ่งนะ พื้นเทเนี่ยเป็นเป็นลูกเสนาบดีแล้วก็ก็ทำงานรับใช้นะในวังตอนที่เป็นโยมก็เชื่อคุณิยิงใหญ่ดำรงธรรมศาสตร์สมัยรัชกาลที่7จ็ดรัชกาลที่8ปเพื่อมีการเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ว่าทั้งสือธรรมศธรรมปฏิษฐ์ป่าที่ทเปิดเผยแค่กัน แากกัน ท, กนทั่วประเทศเนี่ยพิมพซ้หลายครั้งก็เป็นไปข้าใจว่าเป็นผลงานของปูง่มัน่นที่จริงเป็นผลงานของคุยิ่งใหญ่ขนาดพระนิลานาิยมสืโอโอนคนเขียนีต้องปุงทํารึกซึงมาถึงกยกให้เป็นผลงานของปูม่มั่นซึ่งเปิดเผยมาว่าเริวเนี่ยนะสองสามปีนี้ว่าผู้ที่ผเนี่ยคือผู้ยิใหญ่ แล้วคนที่เปิดเผยเนี่ยคนที่พบเนี่ยคือเป็นฝรังนงฝรัง่งด ร, รมารตินแต่คน้าแบบเรี่ว่ากลับไม่ปล่อยจนทำแม่มั่นใจวะเนี่ยผู้แตกเนี่ยคือตัวหญิงใหญ่แล้วก็เขียนประวัติคือหญิงใหญ่ที่มาหูิงใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ว่ามีความรู้ทางด้านผมมาเนียมีการปฏิบัติ ในระดับที่สูงมากหลังจากที่สามมีตายคุณยายก็บวชเป็นไนชีบวชได้สามปีปี158ก็ก็สิ้นชีวิตตอนที่ป่วยหนักเนี่ยหมอมาเยี่ยมมาตรวดแต่แล้วหมอก็บอกว่า ยังอยู่ได้อีกนานคุณพี่ใหญบอกว่าคุณหมอจะมาหลอกึ้นเลยฉันรู้ดีและหลังจากนั้นวันสองวันเนี่ยอากการก็ซึมหนับก็ไปบอกให้เด็กเนี่ยไปนิมนต์พระเป็นคนรู้จักพอพระมานะท่านก็นิมนต์มาให้สวดระบูเลยนะสวดบทไหน ทมาจักอันตราละขนาสูตรอะไรเนี่ยบทยากๆเท่านั้นพระสวดเสร็จก็สนทนาธรรมสนทนาสักพักท่านก็บอกว่าจะขอกราบระหว่ า, าที่กราบเนี่ยก็บอกกับพระ ว, ว่าขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่กราบสามทีสุด ก็อยู่ตรงนั้นแนหะหมดลมไปแล้วกราบเสร็จหมดลมเลยนะท้านงไม่ดิกว่าท่านเนี่ยจะสิ้นชีตนะเห็นนิ่งไปเลยนะก็เลยอยีกทางบนออที่ตายจริงๆเนะี่ยไม่มีาการความเจ็บความปวดเลยนะคือรู้ด้แน้ว่าจะตายแล้วนะขอกราบท้าวกนะราบเสร็จก็นิ่งอยในทาง ครรล้ายลงปู่เสาหลือปู่เสาเนี่ยท่านรราาท่านรณอนน้ภาพใ่ท่าพรบปราบพาหน้าคพระประธานวัดปู่สากัมตาสีโลคือนี่ก็เป็นเป็นอุบาสกอุบาสิกานะที่เจตนาการตายงท่านเนี่ย เ, ยเรียกว่าเบามากงดงานมากนี่ รายหนึ่งนะเมื่อเร็วๆนีเน 20, 20้เนี่ยไม่ไปถึงสิบยี่สิบปีวนนี้อันนี้มีเพื่อนคนไล่ฟังทุกชเช้าเขาตื่นขึ้นมาตีห้าเนื่อกรุงเทพนะก็จะเห็นแม่กับยายเนี่ยอยู่ในครัวอยู่ในครัวทำไมเตรียมอาหารจะใส่บาครับ แต่เธอไม่ได้ใส่บาตเพราะว่าต้องยื่ไปทำงนานกรุงเทพเนี่ยต้องออกเร็ว เ, รเช้าเนี่ยต้องมาออกมาบุมบกว่าก็เสร็จแล้วเนี่ยติดอยู่หน้ากระทรวงสาธารณสุขครึ่งชั่วโมงนะหกโมงกว่านะครึ่งชั่วโมงหน้ากระทรวงสาธารณสุขแล้วกรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพก็ต้องรีบตื่นแต่เช้าก่านพราทุกขึ้นนะวันหนึ่งเนี่ยร้านสาวเนี่ย ตื่นขึ้นมาก็จะไปทางานเห็นแต่แม่ยุนครัวยุงยายไม่เห็นก็เลยไปเรียกไปถามยุงยายที่หน้าห้องนอนว่ายายวันนี้ไม่มาใส่บาตรเลยก็มีเสียงตอบมาว่าไม่ใส่ น, นะวันเนี้จะสวดมนต์แล้วก็ทําสมาธิแล้วก็เปเอใจอะไรนะแล้วก็ถา ม, ม, าถ ม, นะถามตอนยายจะเอาอะไรมนาะจะซื้อมาฝาก ก็มีเสียงายตอบว่าไม่อะไรนะแล้เธอก็ไปส่งงานสายเนี่ยแปดเก้าโมงยายก็ยังไม่ออกมาจินเท้าแม่คนเล่าเนี่ยก็คือลูกของยายก็เลยไปเรียกที่หน้าห้องไม่มีเสียงตอบเปิดประตูเข้าไปก็ปเห็นยายหรือแม่ของตัวเนี่ยรูปขาของเท้ า, า, น, านั่งสมาธินั่งคัดสมา ปีนเสาถูฝาเรียกก็ไม่ขานก็เลยเชื่อหลับก็เลยเอาเมือเนี่ยขย่าเพื่อปลุกเพระว่าล่างเนี่ยเป็นกองเปนพื้นเลยแปลว่าอะไรหมดลงไปแล้วข้างหน้านี่ก็มีร่องรอยอการจุดทูกเทียนคุณยายซึ่งลงไปก่อนหน้านั้นสักชั่วโมง คำถามกับคุณยายรู้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยคุณยายจะตายคุณยายรู้ไหมว่าวันนั้นคือวันสุดท้ายของุณยายอาตมวาว่าคุณยายรู้นะวังนั้นต้องไปใส่บาตรนะไม่เคยขาเลยแต่ว่าวันนี้ให้สายแล้วตันนี้เมื่อรู้ว่าตัวเองจะตายในเช้าวันนั้นเนี่ยทำไมไม่บอกลูกไม่บอกายาเพราะคนเราเนี่ย เวลาจะตายก็อย่าต้องมีคนไ ใ, ใกล้ๆน ะ, ะลูกหลานอูข้างเตียงจะได้สั่งเสียคุณยางไม่บอกเลยเพราะเชื่อไม่จำเป็นผมเห็นว่าเนี่ยอะไรๆที่ควรสั่งเสียก็สั่งเสียเรียบร้อยเลยะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาก็อย่าีปอยู่กับพระรัตนตรัยในวันรัตสุดท้าย ตอนสายเนี่ยหลานสาวก็ได้ข่าวว่ายายเสียชีวิตก็เลยมาที่ทบทวนคำพูดสุดท้ายที่ยายบอกคือไม่อ่อนหจแล้วเธอเนี่ยคงคิดว่าไม่ต้องซื้ออะไรมาแต่ที่จริงเนี่ยคุณยายคงจะบอกว่าปล่อยวางพร้อมจะไป เห็นแ่้วการตายเี่นนะมันไม่ใช่ไปต้องทุวนทุรายการตายนีนสามารถจะไปสงบได้นะไม่เหยียดกายกระสับระสายคุณใดเนี่ยไปในท่านานเลยนะคนสมัยก่อนเนี่ยตายในท่านางมีเยอะนะทวดของพระเจ้าพุทธท่านก็ตายในท่านางอัตลักษณ์ก็ พระเจ้าคนสมัยนี้คงจะไม่ตายเนทา่านนี้แล้วนะเป้ยเป้ยได้พบ ก, กับคุณยายนี้ก็ก็เป็นอุูบาสิษการธรรมดานะไม่ได้หวนเลยนะแต่ว่าสามารถจะตายสงบได้ทําไมคุณยายตายสงบไดนะ้เรามาพิจารณาดูนะเพราะคุณยายไม่มีห่วงแล้วถึงเวลาจะตายก็ไม่ต้องบอกใครไม่ต้องบอกรูกบอกหลาน หน้าที่ที่ควรทําอะไรที่ควรจะสั่งเสือก็ทําเสร็จพูดเสร็จหมดแล้วจะทําแบบนี้ได้แบบคุณยายได้เนี่ก็ต้องบังทำบุญทำกุศล ม, มาเป็นอาชีพเมื่อทำบุญทำกุศลเป็นอาชีพเนี่ยนะถึงวเวลาจะตายเนี่ยก็ไม่โกรตาตายเวลาที่ถ้าเราทําความดีเนะี่ยเราไม่ทําความช่วยเลยเนี่ย ความกลตายมันจะน้อยมากมีภาะสิทธของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือพระพิจารณ์เนี่ยก่อนที่ตัดสโลเนี่ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีในในชาติถึงเนี่ยท่านพูดว่ า, าพระพิจารณ์ไม่เคยทำช่วยในที่ใดเล ย, ยถึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงไอ้คนร้ายที่เราทําความดีเราไม่ทำควาช่วยเนี่ย เราจะกล้าสบตาความตาเราจะไม่โกรธความตาเพราะเรารู้ว่าไปแล้วเนี่ยไปดีอีกที่หนึงเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อตั้งมั่นในธรรมยรอไม่โรกรธกับโลกตั้งมันในธรรมทำความดีนั่นเองมีศีมีธรร ม, มก็ไม่โรกรธกโลกกับโลกลกหน้าคุณยายเนี่ยในที่อาจาาเล่าเนี่ยท่านพูความดีทาความดีสร้างร้าสมสุขเีอะ ความช่วไม่ได้ทำเลยเพ ร, ราะนั่นแหละ่ตายให้ก็ตายสมบแต่ทา้าความนี้ไม่พอนะยุ้งยายตองไปฝึจิตมายเช่นนั่งสมาธิผมนั่งสมาธิมาเป็นอาจิตถึงเวล า, าตายผมสมาธินั่นเป็นเป็นเป็นเครื่องดูในวราระสุดท้ายเครื่องยูนะเครื่องที่หาร เว่าเราจะตายเนี่ยเรามีอะไรเป็นที่พึ่งได้บ้างเงนะินทองทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่งได้หรือเปลา่าพึ้งไม่ได้แม้แต่หมอเนี่ยเก่งที่สุดเนี่ยถึงวาสุดท้ายก็พึ่งไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถจะช่วยให้รอบตายได้ตายแน่แต่จะตายอย่างไรที่พึ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่คือ คือใจที่ได้ฝึกมาแล้วฝึกมาได้ด้วยการทําสมาธิตวนก็คือสมาธินี่เกิดว่าคุณใายเนี่ยได้ฝึกสมาธิมาถึงเวลาตายก็ร้ามจะตายในท่านั่งสมาธิและขณะเดินกันเนี่ย ปัญญายนียไปสงบได้เพราะปล่อยวางไม่เอาอะไรแล้วในผลหน่ที่ทาให้คนราตาไ ม, ม, ม่สงบเนี่ยก็เพราะว่ายังปล่อยวางไม่ได้ยังมีความอาไรายอาวรณ์ยัมีความยึดติดจะเป็นทรัพย์สมบัติจะเป็นสิ่งของจะเป็นคนรั บ, บตา่าง ในสายพตทธการเนี่ยมันมีพระรูปหนึ่งนะท่านก็เป็นพระมุ่งนะแล้วก็ได้จีวรใหม่มาีวรผ้าเมือที่สาวถวายช่วยจัดการให้ในสาวพุทธการเนี่ยจีวรเป็นของหายยากต้องไปเก็บเอาจากป่าช้าบ้างใยากบ้างในการที่ได้ภาพหรื้ อ, อ สัมผัืดดีเนี่ยแล้วก็มาตัดจะเป็นจวออันนี้เป็นเรื่องยากจีนระเทียมทอดข้าาลทาวินะเมื่อท่านได้มาาก็ก็มีความอินดีแล้วก็อยากที่จะครองจวนันจะบอกว่าท่านมรณขาวระถนจดสุดท้งท่านเนี่ยเป็นึกถึงจวแล้วเกิดความ อะไรหรือเกิดความหมแหันก็แล้วแต่อาลจะเกิดความเสียใจที่ไม่ได้ครองพอๆตายนะก็ไปเกิดเป็นเลนที่จีบ อ, อันนี้เราไปไม่ดีนะถึงแม้ว่าจะตายแบบกระทันหันก็คือว่ามันจะหัวใจวายตายนะไม่เจ็บไม่ปวดแต่ไปไม่ดีถ้าไปเป็นเลนอนะ่ะใช่ไหมเพราะอะไร หวงจีวอนหวงหรือหวงจีวอแต่ว่าเนื่องจากความดีทีตท่านได้ทำเอาไว้พอครบอายุของจีวอนคือครบเจ็ดวันอพอครบอายุของเหล็กเจ็ดวันเนี่ยตายก็ไปเกิดในสว่างอันนี้เรียกว่าตายไม่ดีเพราะ ม, มีความอาวรณ์ อาาแต่บางคนเนี่ยนะก็มีความทุกข์ทรมานตั้งแต่ก่อนจะตายคือทุรทุรายอย่างมีดวงคนหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็ง ระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะพูดถึงลูกลูกคนสุดท้องอายุสิบวบหวงว่าลูกเนี่ยจะเป็นเหมือนผู้ชายสองคนติดยาแล้วติดพูก็พูดถึงลูกคนสุดท้องเนี่ยพอตายเนี่ยบอกว่าตานี่ไม่อยอมติดนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดนิดนิดนะคนคนตายธรรมาดาเนี่ยก็อาจจะเปิดนิดนิดไม่ปิดสนิทแบบคนตายธรรมาดาแต่โยมนี่เนี่ยตายจะเปิดกัน ม, มันก็ตาค้ า, นะางนะทำยังไงก็ไม่ยอมปิดวันรุ่งขึ้นเนี่ยญาติผู้ใหญ่ามารับศพก็เห็นนเห็นสภาพของผู้ตายเนี่ย ก็เลยติดทูบบอกผู้ตายว่าไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลหลายนสุดท้องให้แต่แล้วก็เอามูลเนี่ยปิดเกิด ต, ตายเพราะก็ปิดได้นะอันนี้แสดงว่าผู้ตายในยแก ต, ตายตามไม่หลาเพราะอะไรเพราะหวกหวลูก บางคนก็ไม่ยอมไม่ยอมตายนะพราะมีอะไรบางอย่างข้างทางใจมีมีอวัยวะตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นมะเร็งปอดและวันสุดท้ายเนี่ยอ ว, วัยวะต่างๆก็แย่สัญญาณชีพเนี่ยนะตกอ ว, วัยวะต่างๆเนี่ยนะไม่ ใม่ทำงนานนะแต่เธอไม่ยอมตายตาเปิดหัวใจก็เต้นหมอก็แปลกใจจนกระทั่งมีเทีพยาบาลรุ่นน้องคนหนึ่งมาเยี่ยมพอเธอเห็นเธอก็รวบรวมกำลังนะแล้วก็พูดขอโทษเรีพยาบาลคนนี้ ขอโทษที่ทำไม่ดีกับเธอเอาไว้เพราะเคยเข้าใจยู่ว่าเธอเี่กับสามีตอนนี้เข้าใจความจริงแล้วก็เลยขอโทษเบียบอลรุ่นนอ้องก็ให้อภัปแล้วก็บอกว่าผมไม่โกรธพี่เข้าใจพี่พอเธอได้ขเอเยปาก ข, ขอโทษแล้วดการให้ไภยเธอก็หลับาตาดอสบายใจแล้วก็วันนั้นเธอก็ไป น, นี้เป็นตัวอย่างว่าคือเธอมีความทุกทรมานมากต่อตาเพราะว่ามีเรื่องค้างคาใจมีความสึกผิดติดค้างใจแล้วก็อยากจะเปิดปากขอโทษนี่ถ้าเกิดว่าเธอไม่มีโอกาสได้ขอโทษเนี่ยไอ้สิทค้างคาใจก็ยังติดอยู่ในใจก็ทําให้เธออยู่แบบทรมานและอาจจะตายไม่ถี่เ้าเกิดว่าสังขารเธอไม่เธอไม่ไหวก็ ผมต้องตายผมตายไม่ดีอาจ ต, ตายตามคา้านกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง ก, การที่ปนเราตายสมบเนี่ยการปล่อยวางเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต้องปล่อยวางทั้งหมดปล่อยวางทุกอย่างครูเจ้าปัดนะแนะนำเน่ย ว, ว่าว่เาเมื่อจะตายต้งให้ปล่อยวางทรัพ ส, สมบัติคนรัก งานการปล่อยวางไม่ท่านสวรสดิ์อยากจะไปสวัสคิ์ชั้นไหนนะชั้นนิมมานะรดีปรั ง, งปรั ง, งวิตตะวัสดีอะไรก็แล้วต่วางให้หมดเพราะถ้าไม่วางนะมันจะทุกข์ทุกข์เพราะว่ากลัวจะไม่ได้ไปสวัสดิ์ชั้นที่กำลังนะความอยากเนี่ยกับความกลัวมาด้วยกันไนงะอยากได้สอนชั้นนี้ก็กลัวว่าจะไม่ได้ อยากให้ลูกเรียนเข้าแพทนะไม่เห็นตนก็กลัววาจะไม่ได้อยากได้รางวัลที่หนึ่งนะก็กลัวาจะไม่ได้ความอยากเอาความกัวทั้งมดมาดี้กกันอยากอะไรก็กลัวก่าจะไม่ได้สิ่งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทจ้าก็เลยให้วางทิ้งหเห็นจ ะ, จะเห็นได้ว่าในการ การตายสงบเนี่ยนะมันมันทบได้ด้วยการที่เราทำความดีนะละทิ้งความชั่วทำหน้าที่ของเราให้ให้เสร็จสิ้นไม่มีอะไรข้างคาข้างคา หน้าที่ต่อลูกหน้าที่ต่อพ่อแม่เดยถ้าไม่มีความห่วงกังวลและขณะเดียวกันก็ฝึกจิตเพื่อใช้สมาธิและสตินะ น, นะช่วยน้อมใจให้สนุกต่งตานและขณะเดียวกันก็นก ปล่อยวาสิ่งทั้งหลายทัง้งปวแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานขัานต้นเลยนะก็คือความไม่กลัวตายเพราะว่าถ้ากลัวตายตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยไอการตายเ่สมรณ์ใเทตังาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากบาทีคนที่ทําความดีมาทั้งชีวิตเนี่ย ก็ยังตัวตายนะเพราะเหตุผลก็คือว่าไม่เข้าใจเรื่องความตายอยู่พอการที่เราจะตายสนได้เนี่ยต้องเริ่มต้นตรงที่ว่าเราเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดา ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวที่จริงเนี่ยถ้าเรารู้จักความตายดีพอเนะเราจะพบว่าเราจะมั่นใจว่าความตายไม่น่ากลัว mm hmm. สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือความตัวตายความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความตัวตาย ความตายไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือความกลัวตายเพราะถ้ากลัวตายแล้วเนี่ยมันทุรนทุรายแม้จะยังไกลจากความตายเพียงแค่นึกถึงความตายเชื่อเกินเหงื่อตัวเองแล้วก็ใจก็กระเพื่อมใจก็เสียวสยองถามว่ากลัวตายเพราะอะไรถ้าไกลที่สูดคือกลัวตายเพราะไม่รู้ คนเราถ้าไม่รู้เรื่องอะไรก็จะกลัวสิ่งนั้นพระเรียกว่าอวิชามีนักวิชาคนหนึ่งนะเก่งมากนะเป็นผู้หญิงได้รางวัลเดิเดิมมาสองครั้งชื่อมาดิพูรีที่เป็นคนพบธาตุ เ, เ, เ, เ, เรเดียกใครที่เรียนเคมีต่อมัธยมจะรู้จักนะธาต น, นี้ เธอผู้ไว้ดีเบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวมีแต่สิ่งที่ต้อง ท, ทําความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็หายกลัวเราลองดูด้วยความกลัวของเราเนี่ยไม่ว่าเรื่องใดกแ็แล้วแต่เกิดขึ้นจากความที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเด็กกลัวความมืดเพราะเด็กไม่รู้จกนะักความมืดนะหลายตอน ตอที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราจะกลัวกลัวศพนะแต่พอเราเป็นหมอเป็นเพยาบาลเนี่ยไม่มีความกลัวแล้วสพศพนะเนะพราะรู้จักดีนะคุ้นเคยดีนะสัมผัสมากับเลยนั้นความกลัวเกิดความไม่รู้ไม่คุ้นเคยนี้พอเรารู้เราคุ้นเคยเราก็หายกลัวความตายก็เหมือนกันนะเรากลัวตายเพราะเราไม่รู้จักความตาย แต่พอเรารู้จักความตายแล้วเนี่ยเราก็จะหายปวดตายรู้จักความตายเนี่ยนะหมายความว่าอย่างไรบางก็คือรู้ว่าความตายเป็นธรรมชาติอันท่านในพรามต้องรู้ว่าความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่อิจจตความตายเป็นโอกาสด้วย หลายคนนี่มองแต่เพียงว่าความตายคือวิกฤติแต่ไม่ได้มองว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยความตายเป็นโอกาสมันไป็นวกทางกายบางทีจะเป็นโอกาสทางจิตอิญาณเป็นโอกาสที่จะได้ยกประดับจิตวิญญาณของเราขึ้นมาก็ได้โอกาสที่จะนิพพานโอกาสที่จะพ้นทุกข์มันก็มีในช่วงใกล้จะตายานี่แหละอาจารย์พุทธทาส ท่านเรียกว่าเป็นนาทีทองนาทีทองนี่ไม่ใช่นาทีที่ห้างสรพสินค้าจะประกาศรางวัลบนะจกทองจากโทรศรรัพท์มือถือไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่นาทีทองที่ท่นานจิตใจเงีได้จรคือในตอนจะตายนี่แหละก็ เ, ะเป็นโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ในสนาพุทธการเนี่ยมีพระอารหันต์ที่ทบรรลุธรรมตอนจะ ต, ตายมีเยอะนะบางท่านเนี่ย ถกเสือกับไปทุกตกุูกเสือกันะนนแต่ว่าแต่ที่เกิดทุกเวทนาเนี่ยท่านมีสติจะท่านก็พิจารณาอย่างไรนะว่าสังขารเป็นทุกข์มากท่าก็เข้เาใจลูกพันไตรับทันทีนอันนี้จันทุกขอ น, นักตาติดตัวหลุคกค้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรืออย่างพระติสากซึ่งท่านเป็น ท่านมีโรคผู้กองแผลเต็มผู้กองหมองเต็มตัวทรงปินเห น, น็บระเดือยกันมี้ไม่มาพยาบาลเลยก็ทนไม่หวท่านก็นอนจมกองอุออจารจาระัสสาวะพระเจ้าทราบก็มาดูแลมาเช็ดเนเืนเ้อเช็ดตัวอาทีวานไปซักไปต้มเช็ดเนเื้อเช็ดตัวให้จุสบาย ทุกเวทนาจำเรื่องหนักขึ้กกนกะ า, าที่แรงตายพิจารณาตับเป็นคาถาเชื่อบางสุขุเป็นที่ปัจจบัิเรียกว่ า, าสุขุเป็นอัติเรียงปฏิยังกายอยู่ร่างกายนี้เนี่ยนะมันไม่เที่ยงนะมันอยู่ได้ไม่ได้เมื่อวิญญาณละจากรลาดนะและถูกคนลาทิ้งก็จะนอนรับซึ่งแผ่นวิหารประโยชน์นี้ได้เหมือนท่านบ้หักเปลี่ยนนี้ได้ ปติศาสตร์ทีรนานีนก็เห็นจริงๆนะสำคัญนี่มันไม่น่าเอาเลยมันเต็มไม่ได้ทุกเต็มด้วยสิปิกูลิจแทก็หลุคนเลยนะเป็นพระราสิ้นลงเพราะว่าสิ้นกิเลสหรือว่าสิ่งกิเลสเพราะว่าสิ้นลเรียนะน่งสาวดีที่ตดนไฟคอ่อกแต่ว่ากลับบรลุธรรมขั้นสูงแต่ก็เลยเห็นได้ว่า ความตายมันไม่ใช่ยุคตรนอย่างเดียวเป็นโอกาสด้วยบางคนอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ต้องการจะบรรลุธรรมบรรลุพนิพพานแต่ว่าความตายก็สามารถจะนำสิ่งดีๆให้กับเราได้เพื่อตมาเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเต้านมเธอพูดในช่วงแ้กใช้ท า, ทางสิทาทางของชีวิตเาในช่วงสองที่สุดท้ายเนี่ย เ็ช่วงที่เธอมีความสุขมากเป็นช่วที่เธอกำงตายแต่เป็ช่วยเธอมีควมมาส ม, าวมาสุดเพราะว่าได้ปล่อยวางและความตายมันมามันมาเตือนมันมาสอนนะมันมากระตุ้นให้เราปล่อยวางเพื่อตามานเนี่ยนะแยกตรงนี้นะก็เลยปล่อยวางแ้าเธอก็มีความสุขข่านั่งที่ตารางจะตาย หลายคนเป็นอย่างนี้นะคือพบความสุขอันประเสริฐเนี่ยตอนใกล้ตายนะเพราะได้ความตายมนาะช่วยเตือนให้ปล่อยให้หวางบางคนเนี่ยเมื่อจะตายเนี่ย mm hmm. ก็ความการคืนดีดานี้ระหว่างสามีกับภรรยาก็เกิดขึ้นมีหลายคนเลยนะที่พอจะตายเนี่ยนะ คนที่เคยเทะเลาะเบาแว้งกันก็มาคืนดีกันสามีที่ห่างเหือนจากภรรยาก็มาแกล้ชิวดูแลภรรยามี่เด็กคนที่2งจะเป็นมะเร็งแลพวพอเธออกันหนักเนี่ยต้องอยู่โรงพยอบานเธอบอกว่านั่นเป็นช่วยที่เธอมีความสุขมากเลยไหยเพราะอะไร เพราะว่าเป็นทั้งหน้าที่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่คือถ้าเธอไม่ป่วยนะก็คงจะยังเหมนหางกับพ่อแม่ตามธรรมดาคุณคูเทพนะดูต่อไปทำงานลูกก็ไปเรียนแต่เช้าพ่อก็ไปทำงานบางทีก็จะกลับมาก็ขําบางทีไม่ได้กินข้าวพรอมหน้าแต่พอป่วยเนี่ย เป็นมะร็งเนี่ยพ่อแม่ก็ลางามาดูแลลูกนะสุดอบอุ่นใกล้ชิดมีหลายคนพูดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าความตายเป็นโอกาสนกันนะหรือช่วงที่ใกล้ตายเป็นโอกาสที่จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยนะเราจะกลัวตายไว้ลงนะแลวคนที่ไม่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เลยเรื่องนี้จะกลัวตายเพราะคิดว่าความตายเป็นริิ มันไมีแต่สิ่ง แ, แย่แต่ที่นี่ไม่ใช่เลยและความตายเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยเราสามารถจะพวกความสงบได้ในเวลาใกล้ตายแม้จะมีทุกขเวทนาแต่ทุกขเวทนาทางตายเนี่ยนะมันมันจะไม่ไม่ไม่น่ากลัวเท่ากับทุกขเวทนาทางใจ เพราะความรู้สึกห่วงหาอะไรความาอะไรอาวร์ความรู้สึกผิดติดข้างใจต่างๆ่างเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเครียร์เรื่องนี้ออกไปจากใจได้นะคือปล่อยวางได้เนี่ยไอ้ทุกขเวช า, าทางกายเนี่ยมันก็ก็เป็นเรื่องที่ไม่บรบกวนเรามากเท่าไหร่ยิ่สมัยนี้เนี่ยนะก็มีสิ่งที่ช่วย ให้ลดความเจ็บความปวดได้แต่ก็อย่าหวังขึ้นมากนะเพราะว่าก็มีหลายเคสเนี่ยที่ได้ยาแล้วนะปวดยังไงมันก็ก็ยังมีความทุรนทุนรายตรงนี้แหละหนะ้าที่ธรรมะเนี่ยจะมาช่วยได้แม้จะมีทุกขเวทนาอย่างไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่า เราได้สุกจิตนะเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยมันจะช่วยได้คุณหมอบมารามารลลาเคยนไ่้ฟังว่าไปเยี่ยมคนไข้เป็นเป็นมะเร็งเป็นอาจารย์แพทย์อายุ40กว่ามะเร็งเนี่ยมันลาไเปกระดูกเลยนะคนไข้เนี่ยปวดทรมานมาก นั่งไม่นอนไม่ได้นะนั่งก็นัง่งงอต่องอเข็ขนาดเนี่ยหมอให้หมอฟรีแล้วเนี่ยก็ยังเอไม่อยู่อยากจะได้หมอฟรีทุกชั่วโมงเลยแต่หมอก็ให้ให้ได้ตอนนี้คุมอมาเราไปเยี่ยมเนี่ยนะคนไท้เนี่ยตัวเลือกตัวซีดเลยนะปากซีดเลยนะ เหนือเนี่ยเป็นตัวโตปวดมากคุณหมอเวลา ก, ก็อยากจะช่วยก็เลยถามว่าเขานั่งสมาธิเต็มไหมบอกน่าไม่เป็นคุณหมอก็เลยชวนแนะนำให้ทำสมาธิหายใจเขราะผู้ายจะออกโทรเนี่ยอยางคนทไท่ไม่เคยทาสมาธิเนี่ยคุณหมอ ก, ก็คิดว่าเนี่ยคงทำได้ไม่เกิหนห้นาที แต่พวกว่าห้านาทีก็แล้วสินาทีก็แล้วคนไท้ก็ยังนั่งอยู่แล้วก็ยิ่งนั่งยิ่งดีนะตัวก็ลรมตรงขึ้นแต่ม่อาการที่ผ่อนคลายคนไข้นั่งถึงสี่สบห้านาทีพอเปิดตาขึ้นมาเนี่ยก็มีความสุกสีหน้าแจ่มใสเงือเนี่ยเล็ดโตโหายไปเลยปากที่เป็นสีชมพู ปวามปวดที่ทุเราไปเยอะยคนไข้ที่แปลกใจคุณหมอมาแล้วก็แปกใจเพราะว่าอ่อไม่เคยนั่งสมาธิทำไมนั่งได้นานแล้วนั่งได้ดีด้วยสอบถามก็ได้เพา่าคนไนี่ยจะมีสมาธิกับงานแกเป็นคนที่มีสมาธิกับงานพอสมาธิดบงานเนี่ยมาใช้กับลมหายใจเนี่ย มันก็ได้เปิดกันคุณหมอก็เลยรู้เลยว่าอ๋อคนไข้รู้เลยว่าสมาธิมันช่วยได้เวลาปวดเนี่ยนะแต่ก่อนนี้ก็จะเรียกหาต่ยาก็จะนั่งสมาธิก่อนจนกระทั่ถ้านั่งสมาธิแล้วมันยังทนไม่ไหวถึง ค, ค่อยขอยาแต่ถ้าไหวก็จะไม่ขอยา นั่งสมาธิไปเรื่อยเรื่อเนื่องเป็นตัวอย่างว่าคนล้านนี่ถ้ามีทุกขเวทนาเนี่ยนะหรือความเจ็บปวดเนี่ยอันนี้ยังมันยังไม่เท่าไหร่ถ้าว่าเราเนี่ยสามารถจะรักษาใจได้ให้ความเจ็บปวดทางกายนี่ก็เป็นเรื่องที่ที่รับมือไหว เราคนที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยระสุดท้ายเนี่ยเราจะพบว่ามีคนไข้จะมนไม่น้อยเลยที่มีอาการทุรนทุรายแล้วก็หมอจะมนไม่น้อยเนี่ยก็ ค, คิดว่าที่ว่าทุรนทุรายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาปวดแต้ก็มีหลายเคสที่พอให้ยาไปแล้วระรับปวดได้ชั่วคราว สักทัพ ก, ก็มาทุรนทุรายในกรณีแบบนี้เนี่ยก็ให้สันนิษฐานว่าเนี่ยเป็นเพราะว่ามีเรื่องอะไรอยู่ในใจคุณหมอที่จุฬาท่านหนึ่งท่านรล่ายความว่ามีคณรู้คนมาป่วยป่วยหนักที่แล้วก็มารักษาตัวที่ห้อง i อ u แล้วก็บอกว่าแกมีอาการทุรนทุราย คุณหมอก็เลยให้ยาแล้ก็ปดให้ไปได้แค่สิบห้านาทีแกก็นิ่งได้สิบห้านาทีเสร็จแกก็แกก็มีอาการเหมือนเดิมคุณหมอก็แปลกใจก็เลยถามว่าแกปวดมีปัญหาอะไรในใจก็เลยพยายามถามแต่คนไข้เนี่พูดไม่ค่อยได้ก็ไค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วก็มีสายมีอะไรต่างเจ่อคอช่วยก็พูดออกมากพอจะเดาได้ว่า คือหมอถามว่าเนี่ยมีอะไรเป็นห่วงไหมแต่ก็พูดพอาเป็นสองคำสองพยางว่าเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ก็จะเชียงใหมแ่แล้วก็ถามลูกชายลูกชายก็ไม่รู้แต่ลูกชาบอกว่าเนี่ยพ่อเนี่ยตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป่วยแล้วไปรักษาคนที่สว น, นดอดกแกนเป็นคนตะแคงเทพไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่สวดอก แล้วทิศนั้นเนี่ยคนไข้ก็ไปทิไปทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลหมอก็เลยจาว่าเนี่ยคนไข้คงจะห่วงนะว่าถ้าเกิดตายเนี่ยจะไม่ได้ทำตามวิสัญญีหาวไวนะ้นถือว่าไปทิศรํากายเป็นจักรใหญ่ที่ให้สูงต่อหมอก็เลยบอกคนไข้ว่าถ้าหมอเป็นอะไรไปที่จุลาเนีฯรับจัดการไม่ได้นะ บอก ว, ว่าโดนใจเนี่ยแกเลิกทุร น, นทุนลายแต่แต่คนไข้ไม่ได้ตายที่ตุลานะต่อไปตายที่บ้านอันนี้เป็นตัวอย่างนะคนเราเนี่ยนะจริงๆความทุกข์ที่มารบกวนคนเวลาใกล้ตายให้ความเจ็บปวด ย, ยังไม่หนักเท่ากับความทุกข์ใจถ้าใจทุกข์แล้วเนี่ยนะมันมัน ยาถ้าปวดยังไงก็ช่วยไม่ได้แต่ถึงจะทุกอย่างไรถ้าถือว่าใจสงบนะความสงบของสมาธินี่ก็เอาอยู่ใจที่สงบนี้ก็เอาก็สามารถจะรับมือ ก, กับกับความปวดได้มีรายอื่นนะยุ่ยายยุ่ยายจะเป็นมาเร็งที่ที่ ท, ที่ที่กระเพาะ จะปวดมากอันนี้โรงพยาบาลที่บุรีรัมย์เราไังจะปวดมากพยาบาลก็มาเยี่นพยาบาลคนึงก็อาจจะถามคุณยายว่าปวดกี่คะแนนแต่พยาบาลคนนี้จะไม่ถามนั้นจะถามแปลกแค่ถามว่ายายในชีวิตนี้เนี่ยทําอะไรแล้วมีทําอะไรมีความสุขมากที่สุดในชีวิตนี้ในชีวิตนี้ทําอะไรแล้มีความสุขมากที่สุด ถาเรื่ความสุขให้ถามเร่งความสวขยายบอกว่าหลอกพระแกเคยไปหลอกพระเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยคนที่สาเนี่ยนะาการได้หลอกพระถือเป็นมารุษน่ะแกยังจำติตาได้เทีย่ยบาลก็ถือโอกาถามเลยยายจำได้ไหมยายวันนั้นเนีย่ยยายใส่เสื้อเสืย อ, อะไรไผ้าเสืย อ, อะไรยายจําได้หมดเยาบาลก็เลยชวนคุ คุณคุยแกเล่าได้หมดในรายละเอียดนี้นะประมาณสินาทีได้คุยจบจกเปิดปาขึ้นมาหมอเปรียกเปรี้าวหมอเออแปลกนะมันหายปวดไปเยอะเลยนะนะคือไอ้ทุกขเวทนานี่ยนะมันไม่ใช่ปัญหาหลักมันที่ใจถ้าถ้าใจนะใจเนี่ยถ้าหากว่าใจไม่มีที่พึ่งนะหรือว่าใจเนี่ย ไม่ได้มีการฝึกนะอันนั้นแหละทุกพัฒนาทางกา ย, ยมันจะเร่งงานาแต่ถ้กิว่าระวางใจเป็นนะเช่นสมาธิก็ดีหรือว่าหรือว่าเรารู้ถึงสิ่งเรารู้ถึงบุญกุศลที่เราได้ทำเนี่ยให้ความเจ็บปวทางกายเนี่ยมันมันเหมือนกับจะหายไปเลยเพราะอะไรนะเวลาคุณยายเนี่ย พูดถึงหลอกพระคุณยายจึงหายปวดในคนนันเพื่อคุณยายลืมปวดลือปวดพวกเราเคยไหาตอนหนุ่มๆตอนสาวๆเนี่ยนั่งหลงังผนลังแข็งทั้งคืนเลยเนี่ยแต่ไม่ปวดไม่เมื่อยเลยเพราะอะไรนะแต่เพราะมือเพราะใจกำลังจดจ่อบยู่ให้คืนเยเมือยนะเล่นดัเมี่ตีดัเมี่ทั้งคืน ใช่ไเคยไหมตีกำเรื่องคือไม่ปวดไม่เมื่อยเลยพอเล่นเสร็จหอ้ยปวดเมื่อยนะตอนนั่งใจจดจ่อที่ไพ่เน่นะไม่ลืมปวดขามไม่ปวดแต่ใจไม่รับรู้นะคุณยายก็เหมือนกันนะข้อมันปวดแต่ใจไม่รับรู้แล้วใจไปนึกถึงวันที่ได้หลอกครับแต่การการหลอกไ้าเนี่ยมันดีกว่าจดจ่อที่ไพ่ บอนดียังไงบัดีตรงคือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เราที่เราศรัทธาเนี่ยเมื่อเรานึกถึงนะพระเจ้าจะตลบว่มามันทําให้เกิดปราโมดปราโมดเนี่ยคือความความมินดีนะความอิเอ่เบปิติความเอิบปรามดปิดติปฏิสัทธิความส่ำคลายการและใจและจะทําให้เกิดสุข แล้วสมาธิพง่ายเยพอเรานึกถึงอะไรที่เรสัมผันะมันนำไปสู่ความสุขนะคุณยายเนี่ยพอคิดถึงการออกว่าคุณยายมีความสุขจิตและกายของใครก็สัมสทิ่อันนี้เนี่ยทางทางการแพทย์ก็ยอมรับนะว่าเวลาไมื่อดกตามที่เรามีจิตเรามีสมาธิเนี่ย จะมาสมาธิว่าเหตุไรก็ตามมันจะมีสามมรรคเราออมาที่ช่วยลดความเจ็บปวดได้นะแต่ว่ามันทํางานคระแบบกัางยาหนักปวดกันแต่ว่าคนเหมือนกันก็คือว่าความปวดที่เราเอง่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นหัวใจอย่างหนึ่งเป็นเป็นที่รับอย่างหนึ่งในการทำให้ตาเฉื่อยนะแล้วจะมีทุกเวทนาทําการมีความเจ็บปวดก็ตาม ก็คือการระลึกถึงสิ่งที่เราสักนับถืออันนี้ก็เป็นวิธีการเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้แนะนำคนใกล้ต า, ายนะในพุทธประวติจะมีเรื่องราวของการแนะนำลำทางคนใกล้ตา ย, ายนะหลายคนด้ยวยกันและพระพุทธเจ้าก็จะใช้วิธีที่ที่เรียกว่ามีประโยชน์มากและเป็นมาตรฐานก็ว่าได้ก็คือหนึ่งเนี่ยน้อมใจให้คนนึกถึง พระตนตรัยอันนี้พวกเรียนนำทางคนที่เป็นสาวกนะเป็นพุทธมาร ก, กัเพราะฉะนั้นนี่ก็มีทุนอยู่แล้วคือการระลึกมีความสัมพันธ์ในพระัตนตรัยน้อมใจคนถึงพระรตนตรัยแล้วน้อมใจเนาลือถึงความดีที่เขาได้ทำก็คือศีล สในที่นี้เนี่ยเรียกวรวมๆว่าความดีแล้วจึงแนะนำให้เขาปล่อยวางอันนี้ เ, นเป็นวิธีการที่เรามาใช้กับตัวเราเองก็ได้ใช้กับคนไข้ที่เราดูแลอยู่ก็ได้ใช้กับคนรักนะที่กำลังจะจากไปก็ได้ซึ่งสูงง่ายๆก็เป็นสองอย่าง 1. นึกถึงพระสองละพุทสีนะจําไว้เลยนะอั น, นเนี้ย9เนี่ยใช้ไดนะ้กับเคสต่างๆแต่ว่าต้องเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกรณีนึกถึงพระก็คือพระคณะไตรหรือว่าถ้าเป็นคนที่เป็นมุสลสิมก็นึกถึงพระเจ้าคนจีนก็อาจนึกถึงแล้าก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสน์ก็ให้หนึกถึงพระเจ้ามนม่วนอิเป็นต้น อันนี้รามถึงพิจารความดีด้วยนะบางคนเนี่ยมีถาบางคนไกลวัดเนี่ยไม่เคยได้เข้าวัดเพราะไม่ได้มีศรัทธานในพระตนรมกายจะทำอย่างไร mm hmm. ก็ชว่วยใหนน้พ้นทถ้งความดีนะมีคุณลุงคนหนึ่งคุณปู่ดีกว่านะเรื่องเนี้ย เ, เกิดขึ้นมาแล้วสาสิบปีมาแล้วเนี่ยจะเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็อาการก็หนักไปเรื่อย สองสามแต่สุดท้ายเนี่ยแกจะปวดมากจนต้องไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลแต่ละครั้งก็ก็ปวดนะจากการรักษาออกมาเสร็จเดี๋ยวเข้าอีกก็เข้ า, ข า, อ, า อ, ย อ, ยอยู่หลายครั้งพอถ้าแต่สุดท้ายเนี่ยมีหลานชายเนี่ยเรียนจบก็กําลังรอ ง, งานก็เลยมาเฝ้าไข้หลานชายคนนี้ก็เหมือนคนอื่นนะเวลาแกเข้าไ ข, าขายแกไม่ แกไม่ใช่นั่งอ่านหนสือผินนะหรือว่าดูโทรทน์แกก็ชวนชวนปู่คุยและประเด็นที่แกชวนปู่คุยนะก็คือเรื่องของชีวิตในวัยในอดีตปู่แกก็เล่านะว่าสมัยก่อนเธอไปเป็นทหารไปรบในสงครามโลกที่หนะนึ่งนะนี่มันร้อยปีสงครามโลกที่หนะึ่งะปีเนี่นั่นเหตุการณ์ที่มัน น, น, น, นานนะไปรบในสงครามโลกที่หนึ่งตอนนั้นไทยชนะนะ ก็ภาคภูมิใจกลับมาก็รับปราชการรับปราชการด้วยความสื่อสัร์มีครอบครัวก็สร้างเนื้อสร้างตัวดูแลลูกนะส่งเสริมส่งการส่งลูกให้ได้เงินสูงสูงจนสําเร็จกับทุกคนนะมีหลานก็มีความสุขที่ได้เียงหลานการเล่าแต่แกมีความสุขนะสุดท้ายก็เลยคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องการปล่อยวาง หลังจะได้กวันสองวันแกก็เรียกลูกหลานมาสั่งเสียแล้วแกกาไปตอนที่จะไปเนี่ยเมื่อแกนอนหลับไปนะั้นมีรอยยิ้มไม่มีความทุลุ่มทุลายที่น่าแปลกคือว่าเดือนสุดท้ายที่จะไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลตอนที่กว่อนหน้านี้นแกเข้าเข้าอาอีหลายครั้งผป็นพราอะไรนะอนาจารย์มาคิดว่าส่วนเป็นเพราะว่ า, าการที่จะได้คุยเรื่องไหนดี ได้เล่าได้พูดถึงเรื่องที่แก่ภาพหัวใจนะนะความดีที่รับใช้ชาติความดีที่ได้ดูแลครอบครัวไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันพอพอคนไข้เนี่ยเขาเขาระลึกถึงเนี่ยเขามีความสุขเขาเกิดปิติไอ้ปิติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ความปวดเนี่ยทุเลาหรือว่าลดปวกได้เล ย, เ, ยเพราะฉะ้นเนี่ยกับบางคนเนี่ยซึ่งเขาอาจจะไกลวัดเนี่ยนะแต่ว่าเราชวนเขาเราชวนเขา คุยหรือเราพูดถึงเขาพูดถึงสิ่งที่ก็ภาพหัวใจที่หัดใจามีคนไทยคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงก็อายุวามอายุมากแล้วก่อนจะตายเนี่ยจะก็มีความปวดนะเพื่อนบ้านมาเยี่ยมและสิ่งที่เพื่อนบ้านได้ทำนะก็คือร้องเพลงฆ่า้ันหมด เพลงนี้มันมีความหมายกป็นไข้มากเพราะคนไขเ่เป็นคนเอาเพลงเนี่ยไปเผยแพร่เธอเป็นคนที่นาสาสุราชตนีำบลนี่ยบลทางไกลนะรู้จักเพลงข้ามตํงบม น, นี่ก็เพราะเธอนังนั้นความสุขขคภาพจิตใจที่คนทั้งตาบลเนี่ยร้องเพลงนี้ได้เพราะเธอเนี่ยพอเสียตายนะก็มีคนเนี่ยเคื่อนบ้านมาร้องเพลงเฉลเเฟฟิมฉลว่าเธอมีความสุขมากให้ความรู้สึกความรสึกความเป็นความปวความทุกข์เนี่ยมันมายเป มันลดไปเยอะเลอันนี้คือคือสิ่งที่เราที่เราสามารถจะช่วยคนไท้ได้ช่วยคนใกล้าตายได้หรือจะมาใช้ตัวเองก็ได้นะเวลาเราจะตายเราก็นึกถึงความดีนึกถึงมีส่วนที่เราได้ทำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำมีความมุ่งส่วนไเยอะเนี่ยมันก็มีสิ่งที่จะให้เราเริ่มนึกถึงและเกิดความผิดติ นึกถึงพระนะก็ึกถึงพระนรัตไกรนึกถึงความดีที่ได้ทำบุญกุศลที่ได้บกเพ็ญละทุกสิ่งเนี่ยนะคำว่าทุกสิ่งเนี่ยคือลาทุกสิ่งทุทีนะไม่ไม่มีห่วงอะไรนะแม้กระทั่งงานการต่างๆก็ก็ต้องวามีคุณลุงคนหนึ่ง แกเป็ธรรมธรรมโมเป็นเจ้าพิจ า, ารณาชวนเพื่อนๆไปทอดกระถินทอดผ้าป่านเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารในวัดกันดารชนบุรทำใกเป็นสิบปีนะแล้ววันนี้กก็แกเป็นมเร็งมเร็งก็ลุกลามเร็วจ น, นทั่งจะอยู่ในระยะสุดท้าย พระนสุดท้ายจะมี ก, การกระซับกสายลูกหลานเนี่ยคิดว่าอยากเรธรรมธโมแล้วคิดว่าถ้าได้ฟังเทปธรร ม, มพระสดด์บนเนี่ยจะสงบพอาไม่สงบนะเปิดเทปธรรมะก็แล้วนะเทป พ, พระสมด์บก็แล้วไม่สงบแปลกใจ จนกระทัเพื่อนสนิทมาถึงพอรู้เกิด อ, อะไรขึ้นก็นเลยไปพูดข่านเตียงบอกว่าโบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จเราแกได้อย่างนี้อย่างนี้นะักจะหยุดกระสับกระส่ายเลยนะมันโดนใจแกแสดงว่าอะไรแสดว่าแกห่วงเรื่องสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ที่เป็นมหาบุรุษนะโบสถ์ก็หล่อล้างนะแต่ถึงเวลาตายต้องวางนะ ไม่ใช่เป็นยึดอาไว้ว่ามีสร้างไม่มสเสร็จนสะร้างไม่เสจนะความยึดติดถือมันเนี่ยไม่ว่าอะไรเนี่ยมันมีทนนั้นนะแล้ท่านยึดติดในความดียึดติดในบุญกุศลนี่ก็เป็นโทษนะงเชนเรบอกว่าละทุกสิ่งเนี่ยคือลาทุกสิ่งจริงๆนะแม้กรท่งบุญกลที่ยังสรางไม่เสร็จก็ต้องลนะรวมทั้งความรู้สึกผิดด้วยรู้สึกผิดติด้านใจก็ต้องาะให้หมดปล่อยวาง แต่คนเรานี่นะจะรากได้เนี่ยนะอาศัยสองอย่างหนึ่งตัวช่วยตัวช่วยคือคนนะกะัลยาณมิตรที่มาบอกให้รักเช่นมีพระมาบอกให้รัก เ, เวล า, าพระมานำทางใกล้ตาก็จะบอกให้รักให้วงใ่ไหมหรือไม่ก็มีเพื่อนมาบอกเพื่อนมาช่วยในกรณีคุณลุงเนี่ยก็มีเพื่อนมาช่วยมาพูดให้เธอให้เขาเนี่ยรัก ละเรื่องสร้างโบสนะแต่ว่าละในความหมายที่ว่าจะรับทำแทนให้พอพูดเช่นนี้เข้าแกก็วังอันนี้เป็นอุบายหรือที่คุณหมอจุฬาเนี่ยบอกคุณคายว่าถ้าตายเนี่ยนะจุฬาจะรับผิดชอบ เ, ออเรื่องอาจารย์เรื่องร่างกายให้อันนี้ก็ทำให้สบายใจอันนี้เราตัวช่วยทำให้รับ แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวช่วยทำไงอันนี้แหละนะเราก็ต้องเกิดใจไว้นะว่าเกิดเราเกิดแล้วต้องตายขึ้นมาเนี่ยแล้วถึงเวลาเราจะตายเนี่ยมันไม่มีคนที่มาพูดมานำทางเราเราต้องรักเองนะและรักเองมันต้องฝึกเอาต้องฝึกให้ละฝึกละบ่อยๆที่จริงการเจริญสติทำสมาธิพอ น, นานเนี่ยมันก็เปน็นถ้าเราทำทำถูกนะมันช่วยลรา เวลาเราถ้าเราเจริญสติเนี่ยเรามีความที่ฟุ้งซ่าน ต, ต่างเนี่ยเรามีสติรู้ทัเนเนี่ยเราวางกําลังเจริญสติอยู่เกิดนึนถึงใครขึ้นมาโปรดไม่พอใจพอเรารู้ทันพุ๊บนี่เราละเการเจริญสติการทํากรรมฐานเนี่ยหยุดบาปการละนะไม่ใช่เอานะไม่ใช่ว่าทําสมาธิเพื่อได้ถูกหวยจะได้เห็นนิิต่ง ถ้าใครทำสมาธิเพื่อจะเอาเนี่ยนะมันจะไม่ช่วยให้ให้ใกลตายให้ตายสุบได้นะเพราะว่าตอจะตายมันต้องละถ้าเราทำสมาธิเนี่ยเราที่แต่จะเอานะอ้นี้สายลาาที่มันไม่มีไม่ได้สร้างเอาไว้เนี่ยมันจะไม่ช่วยตอแจะตายบางคนเนี่ยนะอยากจะได้น้นได้นี่เวลาทำสมาธิถูกหวยด้วยเบอร์ เคยมีคนลูกศิลป์ลูกเฟื่องนะไปทามปูเฟื่องเนี่ยผมทําำผมพอนะทอาทํำตอมันถามมาหลายปียังไม่ถึงได้เล ย, เลยผมปูบอกว่าเนี่ยเราทําเพื่อล่าไม่ใช่เพื่อเอาการให้ทานก็เหมือนกันนะการรักษาศีก็เหมือนกันนะกินคือเพื่อล่างนะถ้าเราให้ทาเราทําบุญเนี่ยเราพิจะเอาเนี่ยนะอันนี้มันไม่ถูกนะนะ๋ต่นี้เราทําบุญเนี่ยเราพิจะเอา ทำุร้อยกจะได้แสนทำบุแสนอยากจะได้ล้านนะอันนี้มันจะไม่สืนทิยการลดกลารละพรเจ้าตรัสว่าทานเนี่ยจมุ่งหมายคือ่พลด ค, ลความตันหนแต่หลายคนเนี่ยให้ทานเนี่ยทำบุญเนี่ยความตหัหนหรือความโรคเพิ่มขึ้นเพราะคิดแต่จะเอาให้ถูกหวยให้ได้รางวัลที่หนึ่งนะ ให้ได้รถให้ได้บ้านแต่ถ้าเราให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นพ้นรัเป็นนะเราจะได้นิสัยไหนคือนิสัยที่ปล่อยวางนิสัยที่ลดละและนิสัยเนี่ยมันจะมาใช้เราในช่วยเราเลยมากเวลาจะตายเพราะว่าเราก็จะปล่อยได้ง่ายเราจะก็จะวางได้เร็วอย่างที่คุณคุณคุณยายนะที่จะนั่งสมาธิตายเนะี่ยเขาก็ฝึกการปล่อยการวางเสมอเลย แกไม่เป็นแต่ใส่บาตรตัมมาเชื่อว่าแกก็ทำตัมมาถามเพื่อปล่อยวางด้วยแต่คนเราเนี่ยนะอดไม่ได้ที่จะที่จะยึดเราได้อะไรมาเราก็จะยึดเรามีอะไรเราก็จะยึดนะเราเป็นอะไรเราก็จะยึดนะสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้เราปล่อยวางได้เนี่ย นอกจากการทำสมาธิภาวนาแล้วเนี่ยก็คือการเจริญรอนัสติเจริญรอนัสติเราเลือกถึงความตายเสมอถ้าเราเลืถึงความตายเสมอทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะเตือนไม่ให้เราเนี่ยโลคมันจะเตือนไม่ให้เราสะสมมันจะเตือนไม่ให้เรายึดติดเพราะความตายเนี่ยพอเมื่อเราตายเราจะเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง นะตายบปไม่ได้เอะไรไปไม่ได้สุดท้ายแล้วจะสะสมไปทําไมนะสิ่งที่เราสะสมไปถ้าเป็นวัตถุนะเป็นชื่อเสียงกิเยสเนี่ยถึงเวลาตายหรือเวลาใก ล, ใกล้ตายก็ช่วยเราไม่ได้ช่วยให้เราตายสงบไม่ได้ช่วยเราเป็นสมาธิไม่ได้แถมยังให้เกิดความกังวลอีกนะนการเจริญรอดนสติก็เป็นสิ่งที่ต้องทํสาสม่ําเสมอ ทำทุกวันทำก่อนนอนหรือว่าทำทุกโอกาสเช่นเวลาเดินทางนะก็พิจารณาว่าตัว น, นีเป็นการเดินทางขั้นสุดท้ายของเราการเจริญรอดสติเสมอเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทกับชีวิตและทำให้เราไม่หลงกับการแสวสหงหาเงินทองบกบุญกับการงาน หรือว่าเพิ่มเกินกับตามสม น, สนัตมันทาให้เราค้นขว้าในการทําความดีสร้างบุญสร้างบุญศรมาทําให้เราเห็นความสําคัญการปล่อยวางทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะสูุดง่ายนะันการที่เราจะเตรียมตัวตายเพื่อให้ตายสงบเนี่ยนะก็คือทําความดีรักความชั่วหรือไม่ทําความชั่วเลย นะความดีนั่นจะเป็นบุตุศนจะเป็นการทำบุญให้ทานที่วัดกับพระสงฆ์ว่าการทำความดีกับลูกหลานเพื่อนบ้านได้ทั้งนั้นนะสองนะการฝึกจิตเสมอจเจริญสมาธิภาวนานะเกิดให้รู้จักปล่อยรู้จักวางนะสาม การทำหน้าที่ต่างๆให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นอย่าให้มีอะไรทั้งคาพนะอทั้งคาแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดความหงุดหงิดกังวลแต่ก็ต้องยอมรับนว่ามันไม่มีงานใดมันไม่มีงานที่เราทําสําเร็จหมดมันก็มีงานบางอย่างที่ไม่สําเร็จก็ต้องปล่อยวางงั้นการฝึกนะนะปล่อยวางนะไม่ใช่แต่ฝึกปล่อยวางในขณะที่เรานั่งสมาธิแต่ฝึกปล่อยวางในชีวิตประจําวันด้วยยกตัวอย่างเช่น เราทำงานนะจนถึงเย็นพอกลับไปบ้านลองวางงานนันลงให้ใจเราอยู่กับลูกใจเราอยู่กับคนรักใจยอยู่กับพ่อแมนะ่ฝึกวางงานเอาไวท้ที่ที่โรงพยาบาลที่สำนักงานเวลาอยู่กับลูกใจก็อยู่กับลูกนะ เวลามาทำงานใจก็อยู่กับงานวางเรื่องลูกชหลายคนเป็นอย่างนี้นะเวลาทำงานก็นึกถึงลูกเวลาอยู่กับลูกก็นึกถึงงานนะเวลาจะนอนก็นึกถึงงานนอนไม่หลับพอมาทำงานก็ง่วงนองเนี่<ๆ>ยนี่ง่ายๆนะคือเวลาทำงานใจอยู่กั ง, งานวางเรื่องลูกเวลาอยู่กับลูก วางเรื่องงานนะใจอยู่กับลูกเต็มร้อยนะแล้วคุณจะพบว่างานก็จะทำได้ดีเพราะไม่ไม่ไม่ค้งความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะดีเพราะว่าเวลาอยู่กับใครเนี่ยใจเต็มร้อยใช่ไมไม่ใช่อยู่กับลูกะตาเมือ่ อ, อย แล้วเลาอยู่กับลูกนี่ก็ไม่ใช่วางเรื่องนั้นเลยนะเฟซบุ๊กไลน์ลก็วางเลยนะไม่ใช่เห็นว่าเห็นรูปรูปมาก็ราคาญรูปมาก็กําลังก็อยากจะเล่นไลน์เล่นเฟซนะเวลาทำงานก็เหมือนกันนะก็อยู่กับไม่ใช่วางรูปๆเรื่อนงะวางลูกเฟซบุ๊กเรื่องนะงนะจะได้มีสมาธิเพราเดี๋ยวนี้มันรบกวนจิตใจมากเลยเฟซไลน์เนี่ยนะนี่เป็นการวางนะของหายก็ต้องวางให้เป็นนะเงินหาย นะเงินถูกของถูกโกงไปหรือว่าแม่ค้าจ่ายเงนไม่ครบจ่ายเงินทองไม่ครบก็ต้องวาง น, นะไม่ใช่ว่าของเงินหายโอเคเราก็ไปตามหาเงินนะแต่ถ้าหาไม่ได้มันหายไปจริงๆนะไอของที่ถูกโกงไปเราก็พยายามหาเอาคืนมาคืนไม่ได้ก็ต้องวาง น, นะฝึก นี่เป็นการบ้านที่ให้เราปล่อยวางมันช่วยทําให้เราเนี่ยมีนิสัยปล่อยวางซึ่งจะสุขโดยมากในเวลาที่จะตายแล้วก็ปล่อยวางได้แต่มันไม่ได้ช่วยเพาะช่วยเวลาตายเท่านั้นนะมันช่วยทำให้เรามีความสุขง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าทั้งเงินหายเราทําใจไม่ได้ใช่ไหมมันจะไม่หายแต่เงินมันจะไม่เสียแต่เงินใจก็เสียความสุขก็ตกลงหายไป และสับกัดคู่มากๆนะสุขภาพไปแย่ใช่ไหมกินไม่ได้อนไม่หลับป่วยเสียสุขภาพอีกไม่ว่าจะเสียสุขภาพหรือไม่ไม่ว่าจะป่วยหรือไม่นะแต่ถ้าใจเสียแล้วทํางานก็งานก็ไม่ได้เรื่องไม่มีสมาธิเสียงานอีกนะ <S <S แล้วพอหนุ่มยืนมากๆมีเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาหยอกเพื่อนมาร้อเราก็โวยวายใส่เขาเสียเพื่อนอีกเสียสมดัมภภาพ นั่นถ้าคุณไม่ปล่อยวาง น, นะคุณจะไม่เสียงเงินนะคุณจะเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเพื่อสมาทานว่าเสียหมาด้วยนะ mm hmm. เมื่อเมื่อสองเดือนก่อนนะั้นมันมีคลิปนะไม่ทราบูหรือวเปล่าที่ประเทศจีนเขาถนะ่ายมาตรงศูนย์การค้ามีหญิงสาวกับชายหนุม่มสองคนกำลังทนะเลาะกัน เขิบายให้หญิงสาวต้องการไอแพดรุ่นใ ห, หม่แต่แฟนไม่ซื้อให้ไม่ทราบแฟนนี่เป็นแฟนหรือครัวนะไม่ซื้อให้ผู้ญหญิงก็กลัวไม่พอใจรบเล่าเท่าไหร่ก็ไม่ยอมจะทำไงรู้ไหมแกขอดเสื้อแล้วก็ถอดอเกมแล้วก็ถอดยกส่งแล้วก็ถอดเกลี่ยไปแล้วก็ยืน อ, อยู่นั้นน่ะประท้วงหรือว่าถ้าถ้าทําให้ผู้ชายเสียหน้าจะได้ซื้อให้เขา ไม่รู้แกคิดยังไงขึ้นมาแกทาให้อยู่นานนะจนกระทาั่งผู้ชายเขาไม่สนนะผู้ชายก็เดินดีนะผู้หญิงก็เดินตามนะจนกระทาั่งต้องมีอาชีพ ม, มาม่าในที่ปรารถนาดีเอาเสื้อผ้ามาให้ผู้หญินั้นใส่บอกคือใส่ได้แล้วนะเพราะคนผ่านไปผ่านมาจะไม่สนนะนี่แกลืมตัวเนี่ยคือแะโกรธนะเอาให้ได้จะเอาให้ได้อันนี้คือคําว่าเสียมาร์เลยเนี่ยคือมัน ทำอะไรก็คือทําในสิ่งที่มันคนธรรมดาเขาไปทําอ่ะใช่ไหแต่ว่าจะเอาให้ได้ผมคิดว่าตัวจะจะต้องไม่ยอมแพอ้อันนี้ก็เป็นความยึดติดแบบนึงนะซึ่งมันทาให้ลืมตัวพอไม่ได้อะไรก็ตามที่เราคิดเอาไว้พอเราไม่ได้อย่างที่เรายึดนะหรือที่คาดหวังมันก็ลืมตัวพอลืมตัวก็ทำอะไรก็ได้บางคนทำร้ายตัวเองแต่บางคนทําร้ายคนอื่นใช่ไหมแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้อแฝนคอตาย โดดน้ำตายใช่ไหมอันนี้อันนี้เราลืมตัวพอลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็มันก็เสียมันจะไม่ใช่แค่เสียโทรศัพท์เสียอื่นด้วยเพราะฉะั้นเนี่ยถ้าเราฝึกปล่อยวางนะเนิหนหายของอายก็วางบ้างถ้าเราคืนมันก็ก็วางเดียวมันจะช่วยทําให้เรามีความสุขแล้วถึงเวลาตายเราก็จะมีความสามารถในการปล่อยวางแล้วก็ไปสงบได้ เอาลตำรวก็พูดพอสมควรแล้วนะก็ไม่ซ่อมมีคำถามใะไหรือเปล่า